ผู้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทําบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทําความดีก่อนทําก็มีใจผ่องใส่กาลังทํำก็ใจแช่อมชื่นทําเสร็จแล้วก็มีความสุขใจ ไม่หวนเสียดายไทรธรรมเป็นต้นเขาสแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลิอนอย่างอื่นอันเจอด้วยโทษและภยัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทําให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยั่งต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปราถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจ คนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทําบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แท็กทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากกพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิดกระพัด คืออาหารที่ถวายทุกสิบห้าวันสังขพัดคืออาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปโสถิกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุ ก, กะพัฏอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรรมาวาซาวาสิกพัฏอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธำให้กุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุดและพัญญาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม มีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนิ้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บพอเข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสนาขอให้ส่งภิกษุจำนวนแปดรูปหรือส6หกรูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสก ข, ขอให้สาธยายสูตรใ ด, ดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใ ด, ดเล่าอุาสก สติปฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปฐานสูตรว่าเอกายโนโอายังภิกเวมะโคโสตนานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ทำมิกาอุบาสกละกายเนื้ออันเปรฟียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิ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 เมื่อท่านกำลังสวดพ่อขอห้ามเสเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงร อ, อก่อนท่านทั้งหลายจงร อ, อก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยพวกลูกวา ลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อของไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมะลัยมาเมาื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วทำมิกอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นรุสิดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนัครตาต้าจักรันดิตทั้งหลายทำมิกอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสิงอธิษฐานว่า ขอพวงมาลานี้จงคล้องรถที่มาจากท่านดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไหมธรรมิกาอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากท่านดุสิตพ่อจะต้องไปท่านดุสิตพวกเจ้ายาววิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเรา ก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วทามิกาอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพเตะปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อพิสุทธ์ั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมาเทศนาแล้วหรือพิกษุท์ทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้พิสุทธทั้งหลายฟังว่าภิกษุท์ทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้น ภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบรรเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศา ส, สดาตรัสว่าอย่างนั้นแหลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคขลุ่ยหันก็าตามบรรทัดชิดก็าตามย่อมบรรเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งรายกไว้ในเบื้องตนว่าผู้ได้ทําบุญไว้ย่อมบรรเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาธิ